ในรัตนาสูตรขุตกานิกายสุตานิบาตก็มีความกล่าวถึงพระอาหารหันว่าขีนังปุรานังนวังนัตธิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวัสมิงเตขีนภีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติธีรายะถายมปฏีโปสมภพเก่าก็สิ้นแล้วสมภพใหม่ก็ไม่มี ปราดดาวนั้นมีจิตคลายติดแล้วในภพที่จะมีต่อไปหมดพืชไม่มีฉันทะในการงอกขึ้นอีกย่อมดับเหมือนดังดวงประทีปนี้ในทัพพสูตรที่หนึ่งกุตรกรนิกายอุทานกล่าวถึงเมื่อคราวที่พระทัพะมะละบุตรปรินิพานพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่ากายก็แตกทำลายแล้ว สัญญาก็ดับแล้วเวทนาก็เย็นหมดแล้วสังขารก็สงบแล้ววิญญาณก็ถึงอัดสดงในทัพพสูตรที่สองกุตกาณิกายอุทานส่งเล่าเหตุการณ์นี้แก่ภิกษุทั้งหลายและส่งเปล่งอุทานอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อช่างตีโลหะด้วยค้อนเหล็กไฟติดโพรงก็ดับหายดับหาย ไม่มีใครรู้ที่ไปฉันใดพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้หลุดพ้นชอบแล้วข้ามห้วงน้ำที่มีกาเป็นเครื่องผูกพันไปได้บรรลุถึงอจลสุขย่อมไม่มีคติที่จะบัญญัติได้ฉันนั้นจบบทที่สิบ